บาทีรักษาพ่อแม่ก็ดีเหมือนกันก็มีคุณธรรมมีความอดทนอย่าลังเกียดที่อันนี้ฉนองคุณพ่อแม่ของเราเวลานี้เท่านั้นนะที่ว่วงต้นเกิดมาเราเป็นเด็กพ่อแม่เป็นผู้ใหญ่ถ้าใส่พ่อใส่แม่เราต้องเติบโตมาแบบนี้ได้มาอยู่เดี๋ยวนี้ นั่งรวมกันอย่าเดียดนี้เพราะคุณพ่อคุณแม่นี้ลงมาเสาอพัดอย่างแต่พ่อแม่นี้ดูกมาสารพัดอย่างแล้วมีบุญคุณเนื้อที่สุดเกินเนื้อมีบัดนี้ลูกหลานทั้งหลายทุกๆคนให้เข้าใจว่าบัดนี้พ่อแม่เราเป็นเด็กพ่อแม่เราเป็นลูกเราแะ้วแหละก่อนเราเป็นลูกของพ่อแม่บัดนี้พ่อแม่เป็นลูกเราแล้วเพราะอะไร อแก่ไปแก่ไปแก่จนแก่ไปเลยเป็นเด็กจำก็ไม่ได้ตาก็ไม่เห็นหนูก็ไม่ยินอะไรพันอย่างบางทีก็พูดถูกถูกผิดผิ ด, ผดมันเด็กนันเองอืมอืมมันเด็กกั่นเองอืมมันเด็กนั่นเอ ง, องนั่ น, น, นลูกหลานทั้งหลายนั้นไม่ให้คนใจมากให้ปล่อยให้ปล่อยให้คนที่รักษาคนป่วยก็ให้ปล่อย ไอ้คนที่ไม่สบายเราอย่าไปถืออะรปล่อยจ้ะให้ตามใจทุกอย่างแะ้วที่นี้เราปล่อยแล้วเหมือนเด็กๆนะเด็กๆที่เราเกิดมะอะไรมีฟังพ่อแม่ปล่อยทุกอย่างนล้ปล่อยให้เด็กมันสบายมันให้เด็กมันร้องไห้มันห้เด็กขัดใจอะไรนี้พ่อแม่ของเราบัดนี้เหมือนกันสัญญามันไม่ปล่าแต่แล้วคนแก่ บางทีเรียกลูกคนหนึ่งไปเรียกคนหนึ่งลูกหลานไปเรียกล้านคนหนึ่งไปถูกคนหนึ่จะเอาเรียกเอาบอกเอาขันมาก็ได้จานมาเรี๋ยวเอาแก้วมาก็ได้อะไรมี ม, มาเนียมันเป็นเรื่องของธรรมดาอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็ให้ยกให้พิจารณาให้ที่คนป่วยนี่ก็เป็นให้นึกถึงคนที่พยาบาลมีคุณธรรม ให้อดผห้ทนต่อทุกขเวทนาเวทนาสารพัดอย่างที่มันเกิดมาให้อดกลั้นในทางทเพียนออในใจของเราอย่าให้มันวุ่นวายอย่าให้มีความลังวากยากจนเกินไปแก่ผู้ปฏิบัติอุปถาของเราผู้ปุปบัก็มีคนกระทำยาลงเกลียดนำโมกนำร้ายขุดจะระปฏิว่าอะไรต้องพยายาม เท่าที่เราจะทําของเราได้ครูลูกทุกคนจะช่วยกันดูในเวลานี้วันนี้เรามีพอเหตตาเนี้ยเราอาศัยมาในเกิดมาเนี่ยเปิงครูเป็นอาจารย์เป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นอะไรมาทุกอางอันนี้อันนี้คือบุญคุณของท่านที่เรายิ้เรามาให้ความรู้มาให้ความเป็นอยู่ของเรามาให้ทรัพย์สมบัติเราที่เราจะนี้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 กตัตตาโยกัตตเวทีกัตัญญูก็กตัตตเวทีนี่เป็นธรรมที่ฉนองจึงกันดิกันนี่กัตตเวทีก็ทําความดีมาแล้วใครทําความดีก็เรามาใครสงเคราะห์เรามาเขาเลี้ยงเรามาใครเลี้ยงเรามานี่เป็นของกตตาเวทีที่เราให้ความเป็นอยู่ของเราหนึ่งคนนั้นแหละ จะเป็นผู้ชายก็ดีจะเป็นผู้หญิงก็ดีจะเป็นยากนี่เลยจะยากก็ดีแนละ้ะเป็นคนกตเวทีกาจันยูก็คือตัวเราโก ท, ท่านมีกตเวทีเนี่ยที่อุปถัมภ์ประธาขนุบำรุงเรามาแล้วเราขอบคิดเห็นบุญคุณของท่านเนี่ยว่ากาจันย์โยท่านต้องการอะไรท่านไม่สบายท่านมีความลําบาก ทันมีความขัดข้องโรภการใดเราก็ต้องเสียสะ ล, ะละรับผาละทุระอันนั้นช่วยท่านาก็กระทำอยู่กระตเวทีี่เป็นธรรมที่ความปูนโลกอยู่ให้วงตุฎโกลของเราไม่กระจัดกระจายให้วงตุฎโกลของเราเรียบร้อยให้วงตุฎโกลของเรามั่นคงเป็นอยู่อย่างนี้อือันนี้แหละวันในปอตตมาเลย ฝากเทปฝากธรรมะคำสอนมาฝากย่ายในเวลาเจ็บป่วยนี้โดยความสำนึกมอมมาอาศัยคนมาอทุทัยซึ่งเป็นลูกๆของยมนั้นแหละถึงผู้ปติเวที เป็นภูมิคตันอยู่กับเตมีทีอย่างนั้นจะฝากอะไรอะไรมานั้นอาตมาก็ไม่มีจะฝากวัตถุชิ้นในชิ้นหนึ่มาอยู่ที่บ้านมันเยอะแยะเลยนะ่ะเอาไปเอกมามันน้ำว่านะอาตมาจึงฝากธรรมะซึ่งมันหมดไม่ได้ซึ่งมันหมดไม่เป็นซึ่งมันเป็นแก่นเป็นชานถึงยาย ในฟังธรรมะนี่แล้วก็ถ่ายทอดให้คนอื่นเมื่มอไรก็ยังไม่หมดเมื่อไรก็ยังไม่จุกทัศธรรมคือความจริงตั้งมั่นอยู่อย่างนี้อันนี้ธรรมาก็ะพลอยดีใจด้วยว่าได้ฝากธรรมะอืให้คุณยายมีพลังกิดใจขี่เข็มแข้งต่อสู้ีก็สิ่งทางหลายเห่านี้ในโลกนี่มันเรื่องในสบงบธร้มนั้นแหละถึงแม้มันจะหลังด้วยก็ไม่สงก มันจนมันก็ไม่สงบมันโอก็ไม่สงบให้เป็นเด็กมันก็ไม่สนุกมีความรู้น้อยมันก็ไม่สงกมีความรู้มากมันก็ไม่สงกเรื่องมันไม่สงกมันเป็นอยู่อย่างนี้อย่างนั้นคนทีมีน้อยมันก็มีทุกคนทีมีมากก็มีทุกเป็นเด็กมันก็มีทุกผู้ใหญ่มันก็เป็นทุ ก, กแก่แล้วมันก็ทุกทุกอย่างคนแก่ทุกอย่างเด็กทุกอย่างคนรวยทุกอย่างคนจนมันเป็ทุกอย่างนั้นแหละ อย่างนั้นอวัยวะทุกส่วนนี้นั่นเป็นไบยะทยอยกันไปนี่นี่มีจ่นั่นท่าคุณยายมีจ่านาอย่างนี้แล้วกีจะเห็นว่าอนิจจังมอนเป็นของไม่เที่ยงนทุกขังมันเป็นทุกข์เพราะว่าอะไรอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนออไอ้ร่างที่เราโยงอาศัยอยู่แี่นี้ ร่างกายเนี่นั่งอย่นี้นอนอนี้เก็บป่วยอย่างนี้แล้วก็ทางจิตใจที่รูว่ามันเป็นสุขมันเป็นทุกข์มันเก็บมันป่วยเดี๋นี้เนี่ยทั้งสองอย่างนี้ตั้งนี่กว่าธรรมแต่จริง่มันมีไม่มีรูปมันมีความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นเรียกว่ามันกว่าเป็นนามมันกว่าเป็นนามะธรรมแต่จริงที่มันเป็นรูปเยมันเก็บมันปวดมันขยายไปมาอยู่อย่างเนี้ยอันนี้มันกว่าเป็นรูป กับธรรมเช่งที่เป็นรูปก็เป็นธรรมเิ่งที่เป็นน้ำก็เป็นธรรมฉะนั้นเราต้องอยู่กันด้วยธรรมะคือธรรมอยู่ในธรรมมันเป็นธรรมอ่ะตัวของเราจริงๆที่ไหนมันก็ไม่มีมันเป็นธรรมะสภาพธรรมมันก็เกิดึนแหนมกับหลับไปเกิดแหนมก็หลับไปสภ า, าว่าธรรมเป็นอยู่อย่างนั้นมีความเกิดแหนมมีความหลับแล้วก็มีความเกิดดับอยู่ทุกขณะเดียวนี้มันเป็นอย่อยางนี้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 ดังนั้นให้เข้าใจใชว่าที่นี่ทุกคนแม้ตลอดปลวกหรือมดนี่จะตัวนี้นีๆก็ตามที น, นะนะเขาจวน่พยายามจะหนีกันนั้นะไม่มีใครอยู่สักอย่างไอ้เช่นที่มีชีวิตอยู่ในพอควรเนี่ยก็กระจายกันทั้งนั้นนะทั้งคนจนทั้งคนนร่นด้วยทั้งเด็กทั้งคนแก่ทั้งเศรษฐชาน้นให้ที่มีชีวิตอยู่ในรอบนี้มันแปรไปเปลี่ยนไปอย่างนี้ นี่จะนั้นอะคุณยายรู้สึกมากโลกนี่มันเป็นอย่างนี้แล้วนะมันน่าเบื่อนายเฮ้ยน่าเบื่อมันอะไรมันเป็นมันเป็นตัวของตัวตวนะั้นเบื่อนายนิพพิธาความเบื่อนายเมื่อ น, นาย ไ, ไ, ไม่ใช่ความไม่รังเกียจนะไม่ใช่ความังเกียดนะไม่ใช่รังเกียดนะ เมื่อนายขี้ใจมันส่างใจเห็นความเป็นจริงไม่มีทางใครจะแก้ไขแล้วมันเป็นอย่างนี้เพราะนี่ปล่อยวางมันปล่อยโดยความไม่ดีใจปล่อยว่าโดยความไม่เสียใจปล่อยไปตามสังขารเราสังขานมันเป็นอย่างนั้นด้วยปัญญาของเราเห็นไหมเ่าอนิจจาบัตสังฆาสัางขารทำอะไรในที่ไม่เที่ยงคือว่ามันเปลี่ยนไป แรงมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้ใ น, น, นไม่ที่ตัวอนิจจังพูดว่หไงตัวอนิจจังนั่นแหะตัวพระพุทธเจ้ า, าแล้วถ้าเราพอไปเห็นอย่างจริงจังอะอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงนั่นแหละคือตัวพระพุทธเจ้าถ้าเราเห็นอนิจจังแล้วออนิจจังของไม่เที่ยงถ้าเราเห็นชัดเข้าไปก็มันก็เที่ยงที่อย่างอย่างไรก็เที่ยงมันจะอย่อย่างนั้นแหละไม่แปลเป็นอย่างอื่นมันนุ่นัดเกิดขึ้นมาก็เป็นอย่างนั้น มันที่อย่างนั้นแต่ว่ามันในเที่นั้นมันแปลไปแปลมาเปลี่ยนเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นเท่าทะเลแก่สลานี่เรียกว่ามันในที่และความที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นน่ะทุกคนทุกระบบการาเรียกว่ามันเที่ยนม่แปลเป็นอย่างอื่นมันแปลเพราะมันอยู่อย่างนั้นมันในเที่ถ้าทุณยาเห็นอย่างนี้ก็บในใจจะสบายไม่ว่าเราคนเดียวเราทุกๆคนเป็นอย่างนี้ อย่างนั้นมาคิดแบบนี้ก็น่าเบื่อเกิดนิพพิทาควาเบื่อนายหายความตกำหนัดและไขในโลกในกลางในโลกามิตรทั้งหลายนี้มีมากกว่าที่หม่มากมีน้อยกว่าที่หม่น้อยทุกคนดูไปทีนะะระยะเกิดเกิดขึ้นมาเห็นไหมเห็นคนจนไหมเห็นคนรวยไหมเห็นคนอายุสั้นไหมเห็นคนอายุยืนไหมก็เป็นเท่านั้นแหละนี่ อย่างนั้นตามความจริงวันนั้นที่สําคัญนั้นพระพุทธเจ้า้เห็นว่าให้สร้างบ้านเจ้าของสร้างบ้านสร้างบ้านบางที่จะตมาบรรยายธรรมะให้ฟังอย่างนี้สร้างบ้านให้ได้ปล่อยให้ได้วางปล่อยแล้วก็วางมืน่นแหลมันถึงความสงบในความสงบนั่นก็เลยไปเดินไปทางเหนือไปป่ามาทางหลังไม่หยุดอยู่ีเดี๋ยวมไปสงบสง บ, สบจาก้านเดินไป สงบจากการถอยกลับสงบจากการหยุดอยู่เนี่ยไอความสุขนี่ก็ไม่ใช่ที่อยู่เราไอ้ความทุกข์มันไม่ใช่ที่อยู่ของเราอืทุกข์มันก็เสื่อมสุขมันก็เสื่อมถึงนั้นเนี่ยบัดนี้พระบรมโคดินเห็นว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงนี้มันเป็นของไม่ที่นี่นี่ฉนั้นท่านจิมพอนให้พวกเราทั้งหลายถึงเวลาสุดท้าย อย่างนี้ทุกคนกันกล่อยปล่อยให้วางนี่พรมันออกไปไม่หน้าจําเป็นก็ต้องจะวางอยู่นั่นเองแหละอืนี่พอเราวนวางไปก่อนมันแค่มันจะไม่ดีกว่าแหละอืมอมันแบกแล้วรู้สึกว่ามันหนักเมื่อรารู้สึกว่ามันหนักแล้วก็ไม่แบกมันกันแ้วกทิ้งมันก่อนอย่างนั้นจะไม่ดีหรืองั่นอ่ะนี่ยังไม่ควนแบกมันทําไม ยี่จะไปอะไรอะไรมันทําไมแล้วก็ปล่อยวางนะดูสิวะลงหายใจเข้าออกของเหล่านี้อืม่มันก็ออกแล้วมันก็เข้ามาเข้ามาแล้วมันก็ออกไปเป็นธรรมเลาของลมมันก็ต้องเปลี่ยนอยู่อย่างนั้นอะต้องกลับไปกลับมาหมุนเยนเปลี่ยนแปลงเ้ว่สังขารก็อยู่ใยการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ได้มันไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ลองคิดดูดี่า าาหายใจออกอย่างเดียวนะไม่เห็นมันเข้ามาได้ไหมสบายไหมอืมอฮะสูดลงเข้ามาแล้วไม่เห็นมันออกดีไหมนีอม่อยากจะให้มันเที่ยงอย่างนี้มันเที่ยงไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ออกไปแลกกับเข้ามาเข้ามาแล้วก็ออกไปเป็นเรื่องธรรมดาด้วยคน เกิดแล้วก็แก่แก่เลิกเก็บตายเป็นเรื่องของธรรมดาทแท้ๆเหมือนสังกะลม่ะเข้ามาแล้วมาให้ออกไม่ได้ออกไป่ว่าไม่เข้าไม่ได้ถ้ามีการออกแล้วก็เข้าเข้าให้ออกอยังมีมชีทิตทชีวิตให้มนุษย์เดินสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่เท่าทุกวันนี้เราสังขารมันตามตามหน้าที่ของมันอย่างนี้นี่มันจริงอยู่แล้วไม่ใช่เป็นของไมจริงมันจริงของมันอยู่อย่างนั้นนี่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 มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นก็นหรคอข่ำเหมือนกันนะมนุษย์เราทั้งหลายเมื่อจะตายไปนเนโศกเศร้าวุ่นวายร้องไห้เจ็บใจสารพัดอย่างหลงไปดิโยมันหลงนะเฮ้คนจะตายไปร้องไห้ทีไรายลำพันตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยใครพิจรารณาให้ชัดแจ้งนะให้ความเป็นจริงอาจจะมาเห็นเราละขาอโอกาสเดยนะวะ ถ้าจะร้องให้กับคนตายนะ่ร้องให้กับคนที่เกิดมาดีกว่าคนที่เกิดขึ้นมานะเนี่ยหลอกว่าเออแตนไม่กลับกันเนียถ้าคนเกิดมาเราโยมเราทำหลายหัวเลาะดีอกดีใจกันทิ้งบ้านไอ้ความเป็นจริงเกิดนั่นแหละคือตายตายนั่นแหละก็คือเกิดต้นนั่นก็คือปลายปลายก็คือต้นเราไม่รู้จัก ถึงเวลาโจนจะตายเนื้อตายก็ร้องไห้กันนี่คือคนโง่ถ้าจะร้องไห้อย่างนั้นก็โง่มาแต่ต้นก็ยังจะดีเนื้อมาเกิดมาแล้ร้องไห้กันสักทีเถอะบูเห็นั่ไอ้เกิดนั้นแหลตัวตายแล้วเนะี่ยตอนทเกิดนั้นก็ไมีตายใช่<ม>ไหมไอ้ตัวเกิดก็คือตัวตายตัวเกิดเราไม่เห็นว่าตัวตายใะ่ืหไอ้ตัวตายก็คือตัวเกิดตัวเกิดก็คือตัวตายอย่างนั้นยอ่อม ไม่ต้องนึกอะไรให้มันวุ่นวายมากมายว่ามันเป็นอย่างนั้นจ้ะนี่คือธุระหน้าที่ของเราแล้วบัดนี้ใครช่วยไม่ได้โลกช่วยไม่ได้หลานก็ช่วยไม่ได้ทรัพย์ ส, สินเงินทองช่วยไม่ได้ช่วยได้แต่ความรู้สึกของโยมให้ถูกต้องอยวเงนี้ไม่ให้วันไว้ไปมาปล่อยมันทิ้งมันเสียเราปล่อยมันมันทิ้งมันเด็ อืถ้าเราไม่ทิ่งมันชอยมันมันก็จะหนีอยู่แล้วเลยไหมเอาไว้เฉ่าร่างกายของเราเนะี่ยออืเมันพยายามจะหนีอยู่แล้วนะเห็นไหมรูม้ง่ายๆเลไอ้เกิดมาเป็นหนุ่มเป็นน้อยผมมันก็หลังปีเใช่อือบางทีมันงอทีเรียกว่ามันหนีเลยนะออืนี่แค่เรามันหนีนอะือตาเรามันสว่างสวัยนี่เป็นเด็กเป็นหนุ่มนะ บัด น, นี้มันฝ่ า, ฝาฟั้าไหมนี่ในวันมันหนีแล้วนี่เขาทนไม่ไหวแล้วเขาจะต้องหนีนะที่นี่ไม่ใช่ที่อยู่ของเขาจะและ้วอืมอะไรทุกสิ่งทุกส่วนเขาจะหนีแล้วฟันของเราเด็กๆมันแน่นหนาทารอนไหมบัดนี้มันโยกมันคลอนอย่างนี้ฉะนั้นจะได้ใส่ฟันใหม่แล้วก็ได้อย่างนี้นี่ของใหม่อย่างนี้นาานใช่ของเก่าของเก่าเขาไปนะเขาหนีแล้ว ทิ้งตัณวงในวิญญาณร่างกายเราเนี่ยคือคนยายหรือคนทุกๆคนอย่างเนี้ยเขาพยายามจะหนีไปเนี่ยหรือในร่างกายนีเขาพยายามจะหนีตาหูจะงูรีนกายทั้งหมดก็พยายามจะหนีทําไมถึงจะหนีเพราะตรงนี้ไม่ใช่ที่อยู่ของเขาเป็นสังขารอยู่ไม่ได้อยู่ชัว่วคราวาเทอานั้กไปไม่ว่าในตัวของเราละทั้งหมดอริยมนนี่ยผมก็ดีขนก็ดี เละกก็ดีฟันก็ดีนังก็ดีทั้งหมดแหละเดี๋ยวนี้พขาเรียหนีนี่ยะหนีเขาเรียนหนีไปแล้วพยายามหนีก็หนีไปบ้างแล้วเทียมไม่หม ด, ดยังเหือแต่คนเฝ้าบ้านอยู่หยือเล็กน้อยเฝ้าบ้านเรอยู่จะไม่ค่อยดีหรือตาเนีน่ยแสงก็ไม่ค่อยดีไอ้ฟันดีก่กไม่ค่อยจะดีหงนี่ก็ไม่ค่อยจะดีร่งางกายนี่ก็ไม่ค่อยจะดีทำไม ก็เขาหนีไปบังแล้วทยอยกันไปนี่นี่นี่ทยอยกันไปนี่นี่หยายเขาจะที่นี่ไม่ใช่ที่อยู่ของมนุษย์โดยตรงเป็นที่พักโจคราวเท่า น, นั้นแลตก็ไปยานั้นยีองไม่ค้นหวงยายอะไรมากมายไม่โดนในโล ก, กว่ายพินาโลกอันนี้มันเป็นอย่างนั้นมีว่าแต่อะไรทั้งหลายเขาที่นั่จะดีกันแล้ว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 ตามวาระกของเขาแล้วเขาก็ต้องตองไปทําไมเขาจะต้องไปก็ธุระเขาเป็นอย่างนั้นไอความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นก็ที่นี่ไม่ใช่ที่อยู่อย่างเนี่หนาถาวร อ, อะไรที่อยู่แล้วก็วุ่นวุ่นไม่ม่มมมมสุขสุกทกๆไม่สงบแล้ครับถ้าเป็นคนก็คนเดินไปยังไม่ถึงบ้านยังวนระวังทาง เนี้ยก็จะกลับเนี้ยก็จะไปเนี้ยก็จะกลับเนี้ยก็จะไปเนี้ยก็จะอยู่อี่คนวิที่อยู่อย่างเราเดินเดินออกจากบ้านเนี่ยเปลี่ยวเราเดินไปกรุงเทพเราเดินไปที่ไหนก็ช่ไปบ้านนอกที่ไหนก็ตามก็เดินไปเดินไปเมื่อไปถึงบ้านเราเมื่อไรเป็นต้นก็ไม่น่าจะอยู่นั่งก็ไม่สบายนอนก็ไม่สบายเดินก็ไม่สบายนั่งรถไปก็ยังไม่สบายเพราะอะไรเพราะไม่ถึงบ้านเราแบบนี้ถ้าเราไปถึงบ้านเราแล้วก็สบาย ก็เข้าใจว่านี่เป็นบ้านเราอันนี้ก็ฉันนั่นเหมือนกันบันี้เ อ, อ่เป็นภาระของคนใยญยคนเดียวไม่เป็นภาระของคนอื่นภาระของคนอื่นก็ให้เป็นของคนอื่นครับมีทุลา้าที่ของเราก็เป็นทุหา้าที่ของเรา ้ารี่จของเราในเวลานี้ก็คือพยายามวางความรู้สึกไว้ที่จิตของเราไม่ให้กระวลกระวายเป็นธุรที่ของเราเราลงจากธุรที่ของเราในเวลานี้เราเป็นอะไรอยู่ในเวลานี้เราอยู่อย่างไรจิดเราเป็นอย่างไร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 เราควรจะวางแล้ว อ, อ, อาการที่ควรจะปล่อยจะวางนี้จะทำความให้สงบนี้เป็นธุระของเราเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทำในปัจจุบันเมื่อเวลาเราป่วยอย่างเดียนี้ให้รวมจิตเข้ามาเป็นหนึ่งนี่คือธุระนาทีของเราเรื่องอะไรก็ปล่อยเขาจ้ะเรื่องโลกก็ปล่อยเขาจ้ะเรื่องเสียงก็ปล่อยเขาจะเรื่องกลิ่นก็ปล่อยเขาจะ เรื่องรดก็รลอยเขาแลวเ อ, อะไรอะไรก็ปล่อยเขาแล้วเราจะทำธุระนาทีของเรามันจะมีอะไรเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาก่อนลึกนจะยามากวนฉันมันใช่ธุระนาทีของฉันความมีภาพมีการอะไรก็ตามว่าเราจะกลัวกลัวในชีวิตของเรากลัวในที่กลัวอันตรายว่าเราจะตายอย่างนี้เป็นต้น มีคิดถึงคนโน้นเดี๋วก็คิดถึงคนนี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาในจิตอย่างนั้นเราก็บอกในใจเราว่าอย่ามากวนฉันไม่ใช่ธุระของฉันอย่ามากวนฉันไม่ใช่ธุระของฉันอย่างนี้ไว้ในใจของเราว่าเพราะว่าเราเห็นธรรมทั้งหลายที่นั้นเกิดขึ้นมาทำคืออะไร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 พิงม่บอกเราคิดขึ้นมาแหลวก็กลัวจะตายกลัวจะแก่กลัวจะเก็บกลัวกลัวทั้งหลายมันเป็นโลกเหล่านั้นแนะ่ละที่เปโลกเช่ไมันเป็นโลกอืมโลกนี้มันเป็นอย่างนั้นอืมันเป็นโลกถ้ามันมีขึ้นมาในใจแล้วก็รู้จกเออโลกนี้คืออารมณ์อารมณ์นี่มันมาบังคิดไม่เห็นกิดของตนอย่างนั้นอะไรอะไรทุกอย่างนั่นแหละถ้ามันเกิดขึ้นมาในยอมคิดว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวละองฉัน ี่เป็นเรื่องอนิจจังเป็นเรื่องทุกขครั้งเป็นเรื่องอนิจตาเราจะคิดเราอยากจะอยู่ไปนานๆอยากจะอยู่ไปนานๆอย่างนี้ก็ให้เกิดทุกข์เราอยากจะตายให้เดี๋ยวนี้ให้เร็วๆเดี๋ยวนี้อันนี้ก็ไม่ถูกทางในายายนะเป็นทุกข์เอ่เพราะว่าทั้งขานี้ไม่ใช่ของเราเราจะไปตกแต่งเอ้ยมันก็ไม่ได้ะ่ะ ดีได้เป็นตกแต่งมันได้มันปิดประมาณอยู่อย่างนั้นตกแต่งได้ก่อนนิดๆน้อยๆอยียงว่าอืออือเป็นผลมาตกแต่งร่างกายของเราให้มันสะสวยให้มันสะอาดอหรือเด็กๆเขาดูทีมันทาปากมันทาศกเขาจ้ะทำนิ้วมันยาวทําอะไรมันสะสวยแค่นั้นแหะโย่เมื่อแก่มาแล้วก็รวมในกระป๋องเดียวกันเต่านั้นยังไม่มีอะไรตกแต่งแค่นั้นนหะ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 สร้างคืนสะสวยใหญ่โตก็ได้นะสร้างน่สร้างบ้านทางนอกใครๆก็สร้างกันได้ถึงนั้นแหละแต่ว่ า, ราพระพุทธองค์สันเดียกว่ามันมันบานทางนอกไม่ใช่บ้านที่แท้จริงมันที่บานโดยสมมติบ้านอยู่ในโลกมันก็เป็นไปตามโลกนั่นแหละีบางคนก็ลืมนะในบ้านใหญ่บ้านโต อื s <S สนุกชุกสํำราเดิมบ้านจริงๆของเราอ่ะบ้านที่จริงของเราอยู่ที่ไหนอืบ้านที่จริงของเราคือมีความรู้สึกที่มันสงบคือความสงบนันไหนเป็นบ้านของเราจริงๆบ้านที่เราอยู่นี่หรือบ้านที่ไหนอะไรก็ตามดีเถอะนะอืมบ้านก็สวยแต่อย os ู่ก็ไม่เคยสงบอืมเนี้ยวก็เพราะอันนู้นเนี่ยวก็เพราะอันนี้เนี่ยวห่วงอันนั้นเนี่ยก็ห่องอันนี้อยู่อย่างเนี้ย เรียกว่าไม่ใช่บ้านเราไม่ใช่บ้านทำงานมันเป็นบ้านทางนอกอีกประเดี๋ยววันใดวันหนึ่งแล้วก็เลิกทำงานนีะบ้านนี้แล้วไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นบ้านของโลกไม่ใช่บ้านของเราบ้านทางในก็คือสกุลร่างกายของเรานี่เองก็ยังเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอีกอันนี้ก็เป็นบ้านหลังหนึ่งขึ้นติดอยู่กับตัวของเราที่เราเข้าใจว่าตัวเราหรือของเรานี้อันนี้ก็ไม่ใช่อีก อันนี้ก็เป็นบ้านของโลกไม่ใช่บ้านของเราอย่างแท้จริงยังนั่นคนจึงจะชอบตั้งแต่สร้างบ้านทางนอกไม่สร้างบ้านทางในบ้านที่อยู่จริงๆไอ้มันสงบจริงๆไม่ค่อจะเห็นกันไม่ค่อยจะสร้างกันไปสร้างแต่ทางนอกก็เพราะมันเป็นอย่างนี้แหละอย่างคุณยายนะลองคิดดูที่ในเวลานี้มันเป็นยังไงนะคิดมาดูแต่วันเราเกิดมาเลยเนี่ยมาบาัดนี้คือเราเดินหนีจาก เอกความจะเดินอยู่ในโลกนี่เดินไปนี่เราเดินไปนี่เราเดินไปนี่เดินมาเดินมาจนจนแก่จนเก็บขนาดนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ข้ามมันก็ไม่ได้มันก็ไปของมันอยู่อย่างนี้กรณีมันเป็นอย่างนี้ไม่มันอยาเป็นอย่างอื่นมันก็เป็นเองไม่ได้เหมืันก็เป็ดอยากให้มันเหมือนไก่มันก็เหมือนแ้่มันเป็นเป็ด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 เพราะว่าสกลร่างกายนี้อยญ่ใหญ่มันยืนนานท้าวอนไปนเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่ได้ก็เป็นอยู่อย่างนี้ น, นี่ทันทีเลยสังขารอนิจจาวัตสังขาราอุปทวายะธรรมินุอุปจิตตวานิยจันติเตสางมูปาสมุสุโคสังขารคือร่างกายจิตใจนี้แหละมันเป็นของไม่เที่ยงอืม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 นี่เองเป็นต้นเป็นทีพึ่งให้ภาวนาวาพุธโธพุธโธพุธโพธโถงแนววางจะเด็ดเจ้าหนุ่ยก็ยิงที่ให้โยมทำจิตให้อยู่กับลมหายใจหายใจออกยาวๆสูดลมเข้ามายาวๆหายใจไปยาวๆแล้วก็ตั้งจิตขึ้นใหม่ แต่กักำนดลมปุโธปกโตโดยปกติถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยมากเท่าไรก็ยิ่งกำหนดจิตกำหนดอารมณ์ของเราให้ละเอียดกับไปให้ละเอียดกันไปเท่านั้น ừ, ทุกครั้งเพื่ออะไรเพื่อจะ ừ, ต่อสู้กับเบธนาเมื่อกำลังมันเ ห, น, น, เหนื่อยให้โยมหยุดคิดทั้งได ให้โยมหยุดคิดอะไรทั้งปวงซะให้เอาจิตมารวมอยู่ที่จิตและเอาจิตกับลมรู้จากรมภาวนาพุทโธอุทโธปล่อยวางข้างนอกให้หมดอย่าไปเกาะกับรูปอย่าไปเกาะกาับล้านอย่าไปเกาะกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งนั้นให้ปล่อยให้เป็นอันเดียวรวมจิตลงที่อันเดียวรวมให้กําโนตลม เอาจิตนั้นแหละไปรวมอยู่ที่ลมคือหารู้ที่ลมในเวลานั้นไม่ต้องหายรู้อะไรมากมายกําหนดให้จิตมันน้อยไปน้อยไปละเอียดไปละเอียดไปนีรด้วยไปนยจนกว่ามีความรู้สึกไม่น้อยแต่มีความตื่นอยู่ในใจมากที่สุดเป็นทนอันนี้เวทนาที่มันเกิดขึ้นมันจะค่อยๆระงับไป จะค่อยๆลังเงไปค่อยๆลังเงไปพ้ทนที่สุดลาเราก็ลูรลมเหมือนกับเราญาติมาเยี่ยมบ้านเราเราจะตามส่งญาติขึ้นรถลงเรือแล้วก็ตามไปถึงท่าถือตามไปถึงรแล้วก็สรงญาติเราขึ้นบนรบแล้วก็สรงญาตเราลงเรือเราก็ติดขึ้นเรือขึ้นรถไปดิ้วทั้นนั้นแหละเราก็มองไปเธอหมดไป มองไปแต่ญาตเราไปแล้วเรากลับบ้านแล้วเราดูลมเหมือนกันฉันนั้นเมื่อลมมันหยาบเราก็รู้จักเมื่อลมมันละเอียดก็รู้จักเมื่อมันละเอียดไปเรื่อยๆไปแเราก็มองไปมองไปตามไปน้อยไปน้อยไ ป, ยไปทําผิดมันตื่นขึ้นทําลบในมันละเอียดเข้าไปนี่อยๆไปท้ปนที่สุดแล้ว จนกว่าลมหายใจมันน้อยลงมันน้อยลงจนกว่าลมหายใจไม่มีมีแต่ความรู้สึกเท่านั้นอยู่ตื่นอยู่นั้นก็เรียวกว่าเราพบพระพุทธเจ้าแล้วเรามีความรู้ตื่นอยู่ที่เรียกว่าพุทโธพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเป็นเช่นนั้นเราได้อยู่กับพระพุทธเจ้าแล้ว เราพบพระพุทธเจ้าแล้วเราพบความรู้แล้วเราพบความสว่างแล้วไม่ส่งกิตไปทางอื่นในมันรวมอยู่ที่นั่นนั้นเรียกว่าเข้าถึงพระพุทธทเจ้าของเราถึงแม้ว่าท่านไปนิพพานไปแล้วนั่นก็เป็นพระพุทธรูปเป็นรูปกายี่มีรูปไอ้พระพุทธรูปเออพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนั้นก็คือความรู้อันสว่างสวยัย อันเบิกอันบานอือย่างนี้พบเห็นนี้แล้วก็มีอันเดีย ว, ทวเท่านี้เลยมารวมลงทนี้ดังนั้นอย่าไปให้วางให้วางทั้งหมดโดยติดความรู้อันเดียวแต่อย่าให้หลงนะอย่าให้ลืมไม่ได้จะมีนิมิตเป็นรูปเป็นเสียงอะไรมาก็ให้ปล่อยวางทั้งหมดไม่ต้องเอาอะไรทั้งนั้นอืมไม่ต้องเอาอะไร เอาความรู้อันเดียวเห็นรู้สึกกับความรู้อันเดียวเท่านั้นเนี่ยไม่ห่วงข้างหน้าไม่ห่วงข้างหนังหยุดอยู่กับที่ผลที่สุดจนกูว่าข้างหน้าก็ไม่ไปเดินไปก็ไม่ใช่ถอยกลับก็ไม่ใช่หยุดอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีที่ยึดไม่มีที่หมายเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีตัวเพราะว่าไม่มีต้นไม่มีเรา แล้วไม่มีของของเราหมดนี่คื่อคําสอนพระพุทธเจ้าส อ, อนให้เราหมดอย่างนี้ให้เราขั้วเอาอะไรไปไให้เราขั้วเอาอะไรไปให้นั่นรู้อย่างนี้รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วางแบบนี้มันเป็นภาระของเราคนเดียวจะแล้วให้เข้าถึงธรรมะอย่างนั้นอันนี้เป็นทางที่เราจะพ้นจากวัฏสงสารพยายามปล่อยวางให้เข้าใจ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 ชาภาวะคือความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าตรัส น, น, นี่ฉะนั้นของที่ไม่มีความจริงอย่างนี้เนะห็นพระพุทธเจ้าต่างจิหน่วางถ้าวางมันจะเห็นความจริงถ้าไม่วางมันก็ไม่เห็นความจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้ใครทั้งหมดในสะกณโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้อย่างนั้นยายโยมมีคนห่วงใยมีคนกเกาะเกียวทั้งนมันจะคิดก็ให้มันคิด แต่ว่าคิดใ้อยกับปัญญาให้คิดด้วยปัญญาอย่าคิดด้วยความโง่นึกถึงลูกก็นึกถึงโดยปัญญาอย่านึกถึงโดยความโง่นึกถึงหลานก็นึกถึงด้วยปัญญาอย่านึกถึงโดยความโง่อะไรอะไรทั้งหมดแตะเราคิดก็ได้เรารู้ว่ามันก็ได้แต่เราคิดด้วยปัญญาเรารู้ด้วยปัญญารู้โดยปัญญาก็ต้องปล่อย азд. รู้เปัญญาก็ตง ว, วางถ้ารู้หหอยปัญญาคิดด้วยปัญญามันจะไม่มีทุกข์มันจะมีความเบิกบาน ม, า ม, ม, ามีความสุ่มรานมีความสงบมีความลังงบเป็นอนิจจ์ที่จิตใจเรามารวมอยู่อย่างนี้อะไรที่เราจะต้องอาศัยอยู่ในปัจจุบันในครามนี้ก็คือลมลมหายใจพระพุทธองค์ตรัสว่า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 เรานั่งอยู่นี้ที่เรานอน อ, นอยู่นี้กําลังมันสุดโฉมอยู่นี้นี่เดอะคือสัจธรรมสัจธรรมคือความจริงความจริงอันนี้เป็นสัจธรรมเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แน่นอนอย่างนั้นท่านจริงให้มองพิจรารณาดูยอมรับมันเลยดิยอมรับมันเสีย ยอมรับมันก็เป็นสิ่งที่ควรจะยอมรับถึงแม่ว่ามันจะเป็นอะไรอย่างไรก็ตามทีเถอพระพุทธองค์ท่านสอนว่าเมื่อเราถูกคุมครงังในตารางก็ดีก็ให้ถูกคุมครงังเฉพาะกายอวัยวะอันนี้แต่ใจอย่าให้ถูกคุมครงัง อันนี้ก็เหมือนกันแทนนั้นเมื่อร่างกายมันสุดโทมไปตามวัยโยมก็ยอมรับเสียให้มันทุดไปให้มันโทมไปจากเรื่อร่างกายทางนั้นเนี่ยเรื่องจิตใจนั้นเรื่องจิตใจของเรานั้นเป็นคนละอย่างกับร่างกายก็ทำจิตใจให้มีพลัง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 เอาไว้เยาวะทุกสิ่งทุกส่วนหูก็เลยฟังเสียงอะไรทุกๆอย่างอีมากแล้วอะไรทุกอย่างก็มามากๆถึงนั้นแหละอีมันก็เท่านั้นแหละอยากจะรับประทานอาหารที่อร่อยอร่อยมันก็เท่านั้นเลที่ไม่อร่อยไม่อร่อยมันก็เท่านั้นแหละตาจะดูรูปสวยๆมันก็เท่านั้นเลยรูปที่ไม่สวยมันก็เท่านั้นแหละ ด้วยฟังเสียงที่มันไพเราะสนุกโซจับ อ, อกจับใจมันก็เท่านั้นเลยะีใจฟังเสียงที่มไม่ไพเราะไม่จับ อ, อกจับใจมันก็เท่านั้นแหละอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตนที่บอกว่าทั้งคนร่ำรวยทางคนทุกจนทางผู้ใหญ่แลยก็าทางเด็กตลอดทั้งเจตฉานทั้งหมดด้วย ซึ่งเกิดมาในสกลนโลกอันนี้ไม่มีอะไรจะยั่งยืนอยู่ในโลกนี้จะต้องผัดไปเปลี่ยนไปตามสภาวะของมันอันนี้เป็นสภาวะความจริงที่เราจะแก้ไขอย่างใดที่ไม่ถูกทางมันไม่ได้แต่ว่ามีทางแก้ไขได้ว่า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 อันนี้กลางพุทธเจ้าจะเห็นสังขารเมื่อของไม่ใช่ของเรามันก็เป็นอย่างนี้อีของที่ไม่ใช่เรามันก็เป็นอย่างนี้จะให้มันเป็นยังไงนะอันนี้มันถูกแล้วี่ถ้าโยอมมีความทุกข์ยอมก็คิดผิดเท่านั้นแหละี่พอเห็นสิ่งผิดมันถูกอยู่โยอมเห็นผิดมันก็วางใจเท่านั้นเหมือนแม่น้ำ เหมือนน้ำในเม่น้ำที่มันไหลลงไปในทางที่ลุ่มมันก็ไหลไปตามตภาพอย่างนั้นอย่างเม่น้ำอิทธยาเม่น้ำงูเม่น้ำที่ไหนก็ตามเมันตน้องมีความไหลบนไปทางใต้ทางนั้นแหละมันไม่ไหลขึ้นไปทางเหนือครับธรรมดามันเป็นอย่างนั้นสมตมติว่าบุรุษคนหนึ่ง ซึ่งเปยืนอยู่บนฝั่งของแม่น้ําแล้วก็เป็นมองดูกระแสของนะ้ำมันก็ไหลเชี่ยวไปทางใต้แต่บุรุษคนนั้นมีความคิดผิดอยากจะให้น้ามันไหลขึ้นไปทางทิศเหนืออยากไหลขึ้นไปเหนือนะอย่างนี้ีมันก็เป็นทุกข์บุรุษคนนั้นจะไม่มีความสงบเลย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 ที่จะให้น้าไหลไปทางเหนือนั้นมีความเหตตผิดมันก็กระทบกระทันตะคิดตะวังในใจอยู่อย่างนั้นจนกว่าวบุวรุษคนนั้นจะมาพิจารณาคิดกลับเห็นแล้วว่าโอ้น้ทํรเวลามันมันก็ตรงไหลไปอย่างนั้นมันก็ตรงไหลไปทางใต้อย่างนี้เป็นเรื่องของมัน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 เมื่อไปมีปัญหาก็ไม่ต้องจะเป็นทุกข์ <c oughs> <c oughs> บัดนีอให้โยมใหญ่จงตั้งใจฟังธรรมะซึ่งเป็นโอวาทขององค์สุนทรภิระสุมาสัมพุทธเจ้า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 ตั้งอยู่ในเฉพาะหน้าของโย ม, มยจงจังใจกำหนดจิตให้เป็นหนึ่งหลับตาโดยเฉพาะน้อมเอาคุณพระพุทธพระธรรมประสงฆ์ไว้ที่ใจเพื่อจะคารพต่อองค์มสมเด็จพระสจมมาสัมพพุทธเจ้า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 เราก็เลยอาศัยสกลร่างกายนี้มาตั้งแต่เ็กกำเนิดเกิดขึ้นมาก็พอแล้วจนทั้งเท่าชแชลัแก่ชราบัดนี้เหมือนเปรียบประหนึ่งว่าไอ้เครื่องใช้ไม่สอยเราต่างๆที่อยู่ในวาดซึ่งเราเก็บกรรมไม่นุ่มนานมาแล้ว ชิ้นถ้วยโถโอจานบ้านช่องของเรานี้เมื่อแรกมันก็สดใสใหม่สะอาดดีเมื่อเราใช้มันมาตลอดกาลนานบัดนี้ชิ้นทั้งหลายนั้นมันก็สุดไปโทรมไปวางวัตถุ ก, ก็แตกไปบ้างหายไปบ้างชิ้นที่มันเหลืออยู่นี้ก็แปรไป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 เตรงไหนเป็นอะไรก็ให้รู้จักทางจิตเทมันนี้คนที่รักษาพ่อแม่ก็ดีเหมือนกันก็มีคุณธรรมมีความอดทนอย่าลังเกียดอีกท่านี้ฉนองคุณพ่อแม่ของเราเวลานี้เท่านั้นแหละอืมวนต้นเกิดมานะเราเป็นเด็กพ่อแม่เป็นผู้ใหญ่ อาสายพ่อสายแม่เราต้องเติบโตมาแัดนี้ได้มาอยู่เดี่ยนี้นั่งรวมกันอยู่เดี่ยนี้เพราะพ่อคุณพ่อคุณแม่นี้ลงมาสารพัดอย่างพ่อแม่นี้ดูมาสารพัดอย่างแล้วมีบุญคุณเนื้อที่สุดเดือเกินเนอะมีบัดนี้ใลูกหลานทั้งหลายทุกๆค น, นให้เข้าใจว่าบันี้พ่อแม่เราเป็นเนี่ พ่อแม่เราเป็น ล, ลูนลกเราจช่ไหม่ะพ่อนเราเป็นลูกของพ่อแม่บ้านนี้พ่อแม่เป็น ล, ลูกเราใช่ไหมเพราะ อ, อะไรอี่แก่ไปแก่ไปแก่จนแก่เลยเป็นเด็กจำก็ไม่ได้ตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ยินอลไรพันอย่างบางทีก็พูดถูกถูกผิดผิดเหมือนเด็กนั่นเองนี่นมันเด็กกันเองนี่มันเด็ก น, นั่นนี่นั่นลูก หลานทั้งหลายนั้นให้คนใจมากให้ปล่อยให้ปล่อยให้คนที่รักษาคนป่วยก็ให้ปล่อยให้คนที่เป็นสบายเราอย่าไปถืออะไปล่อยนะให้ตามใจทุกอย่างนะที่นีน้เราปล่อยแล้วเหมือนเด็กๆนะเด็กๆที่เราเกิดนะอะไรมีฟังพอไม่ปล่อยทุกอย่างนะปล่อยให้ด็กมันสบายไม่ให้เด็กมันร้อมไห้ไม่ให้เด็กขัดใจอะไรนะี้พ่อแม่ของเราแบบนี้เหมือนกัน ทีทังยามันนี่ประลาดแต่แรงคนแก่บางทีเรียกลูกคนหนึ่งไปเรียกคนหนึ่งูกหลานเรียกหลานคนหนึ่งไปถูกคนหนึ่งจะเอาเรียกเอาบอกเอาขันมาก็ได้กจานมาเรี๋ยวเอาแก้วมาก็ได้อะไรมีมั้งมันเป็นเรื่องของธรรมดาอย่างนั้นเด้อนะอันนี้พอเออให้ยกให้พิจรารณาให้ที่คนป่วยนี่ก็เป็นให้นึกถึงคนที่พยาบาล นีคุณธรรมให้อดผิดทนต่อทุกขเวทนาเมทนาสารพัดอย่างชี่มาเกิดมาให้หดกลัา้ามให้ทมเพี้ยนออในใจของเร า, าให้มันวุ่นวา ย, ยาใหญ่มีความลงวากยากจนเกินไปแก่ผู้ปฏิบัติอปปาทาของเราผู้ปฏิบัติก็มีคุณนธรรมอย่าลำเกลียดน้าโมกน้าลายกุจร ะ, ะประท้วงอะไรต้องพยายาม เท่าที่เราจะทําของเราได้ครูลู ก, ลกทุกคนจะช่วยกันดูในเวลานี้วันนี้เรามีพรหตุทั้์ทงนี้เราอาศัยมาได้เกิดมาได้เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นอะไรมาทุกอย่างอันนี้อันนี้คือบุญคุณของท่านที่เรานี้เรามาให้ความรู้มาให้ความเป็นอยู่ของเรามาให้ทรัพสมบัติเราที่เราจะมี อร่อทุกอย่างมีลูกมีหลานมีบ้านมีช่องทีดีๆอะไรแล้วมีอาชีพดีๆถึงลูกหลานเนะได้ส่งเสียลูกหลานให้เล่าให้เรียนตลอดตัวเรามีกับเพราะอะไรนี่คือคนของพ่อแม่ที่ถ่ายทอดรับมรรคตกทอดกันมาอย่างนี้ที่เป็นวงตะกูลอย่างนี้อย่างนั้นพระพุทธองค์กันดได้อนว่าตอนกันอยู่กับตะเวที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 จะเป็นผู้ชายก็ดีจะเป็นผู้หญิงก็ดีจะเป็นยากไม่ใช่ญาติก็นีนะเป็นคนกตเวทีกาจัญยูก็คือตัวเราทรูลท่านมีกตเวทีเนี่ยที่อุ ป, ปถัมภะฐานนุบบางดุลละมาแล้วเราคิดเห็นบุญคุณของท่านเรียกว่ากาจันยุท่านต้องการอะไรท่านไม่สบายท่านมีความลําบาก อ่านมีความขัดข้องโดประการใดเลาก็ต้องเสียสะละรับภาละถุระอันนั้นช่วยท่านเล่าก็ตั่งอยู่กะบเตวีที่เป็นธรรมที่ขงังปูนหอกอยู่ให้วงตะโกนของเราไม่กระจัดกระจายให้วงตะโกนของเราเรียบร้อยให้วงตะโกนของเรามั่นคงเป็นอยู่อย่างนี้ อ, อันนี้แหละวันนี้อาจจะมาเลย ฝากเทปฝากธรรมะคำสอนมาฝากยายในเวลาเจ็บป่วยนี้โดยความสำนึกน้อมมาอาศัยคนหมออุทัยซึ่งเป็นลูกนูองของยอมนันแหละถึงผู้เป็นเนธี เป็นภูมิคตันอยู่มันจะมีทีอย่างนั้นจะฝากอะไรอะไรมานั้นอาตมาก็ไม่มีจะฝากวัตถุชิ้นในชิ้นหนึ่งมาอยู่ที่บ้านมันเยอะแยะแลยนะ่ะเอาไปออกมามันน้ำว่างนะอาตมาจึงฝากธรรมะซึ่งมันหมดไม่ได้ซึ่งมันหมดไม่เป็นซึ่งมันเป็นแก่นเป็นชานถึงยาย